แอบมองเธอจากตรงนี้เธอคงไม่รู้เลยว่ามีใครแอบชอบเธออยู่นะยังบอกให้รู้ใจแต่เธอคงไม่สนใจ ฉันหน้าตาไม่ดีจะให้เจยบใครก็คงไม่ได้เลยทำนด้เพียงเท่านี้ถึงเธอไม่รู้ฉันก็ได้ใจเท่าไรรักเธอแต่ก็คงไม่กล้าที่จะบอกไปว่ารักเธอรักเธอมากกว่าใครในใจฉันยอก แอบมองอยู่แอบชอบอยู่แต่เธอคงไม่รู้ว่า need you. ไอ้เนี่ยนิดยุดจะบอกให้รู้แต่ก็คงไม่กล้าจี่จบอกรักแบบคนอื่นผมก็คงไม่กล้าเลยไม่แต่นิดเดียวเพราะกลัวพูดออกไปแล้วเธอไม่สนใจโอ้แก้ว มีใครหรือยังภาวนาทุกวันว่าขอใหเธอในยังไม่มีใครเธอมาเป็นเจ้าของหัวใจแล้วคนอย่างฉันต้องทำเช่นใดบางทีก็อยากมีรูปเธออยู่บนหน้าจอแต่ทำไงได้เพราะตัวผมไม่กล้าพอทํามีโอกาสจะเข้าไปไม่รีรอสัญญาได้เลยพวกผมนั่นจะดีพอผมเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษถ้ายคบกับผมผมจะให้คุณเป็นคนพิเศษเลยรักจธอ แต่ก็คงไม่กล้าที่จะบอกไปว่ารักเธอรักเธอมากกว่าใครในใจฉันยกให้เธอ Oh baby baby Oh girl ฉันารักจริงจริงแอบชอบเธออยู่ตรงนี้